Copyright g o e l a g München Book <two. S 1> คลิปเสียงฟรีในหลายภาษาหนึง่ง v o c a คนเวียกตุลุดีฉันเนนุ <en> ดีฉันและคุณ เนโนมาิยนุวุเราทั้งสองมะนิดดรมเขาอัตนุเขาและเธออัตนูมาิยอามิเขาทั้งสองวาริดดรุผู้ชาย ผู้ชายผู้หญิงสตรีเด็กปิลล่าวดุครอบครัวกุฎุมบมครอบครัวของดิฉันนะกุฎุมบมครอบครัวของดิฉันอยู่ที่นี่ น้ากุฎุมบัมอิกัดวุ่นดีดิฉันอยู่ที่นี่นีนูอิกัดวุ่นนานูคุณอยู่ที่นี่นุบุกอิกดวุนาบุเขาอยู่ที่นี่และเธออยู่ที่นี่อาตนอาเมอิกัวุ่ เราอยู่ที่นี่เมมุอิกกะดบุณนามุคุณอยู่ที่นี่เมรูอิกกะดุบุารุพวกเขาทุกคนอยู่ที่นี่วาลันดารุอิกกะดะบุณารู